นะมโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังพังนัมมัสสมี อิโตะบังสัจจังธัมโมโซตโพตีขอนอบน้องคุณพระัชนาใจขอโอกาสตรงข้อกลมเพื่อเป็นประทานแล้วก็เพื่อทาตุกท่านะจะเจริญพร อ, อย่างไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนเนาะก็นั่งฟังกระตามสบายนกะนั่งฟังธรรมฟังธรร ม, รมะ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 <minutes> เห Ugh. ็น <ICEOVER> จิตที่ม <uk komm mustard> ันเห็นจิตที่มันชอบแต่ก็รู้ทันจิตที่มันชอบนะแล้วก็เห็นมันดับไปเออมันเห็นเลยว่าเอธรรมะคือความเกิดดับนะของจิตใจธรรมะคือความไม่เที่ยงของจิตใจนะเห็นทั้งนั้นเนาะก็เข้าใจนะเข้าใจธรรมะธรรมะก็คือเราเห็น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 เสียงสวดมันก็คือเสียงปัจจธ ร, รรมนั่นแหลนะเสียงที่เป็นความจริงบางทีนะนะเราได้ยินเสียงเขาดานะ่าเนี่ยเสียงปัจจธรรมอย่างหนึ่ง น, นะนะเป็นโรคกระทำผลนินทาผลว่าร้ายผลนะเข้าใจเราผิดนะหรือเสียงสรรเสริญก็เหมือนกันอก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะโลกนี้เราจะเกิดมาได้ยินแต่เสียงนะนินทาอย่างเดียวก็ไม่มีเนาะ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 แต่พอเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนะบางทีเราไม่ร้องไห้งอแงเหมือนเด็ก น, นะแต่ใจมันใจก็งอแงเนานะนีะ่เช่นงทีง่วงนอนเนาะอยากจะไปนอนเนาะไม่ได้ไปนอนนี่ก็งอแงนในใจอย่นี้นนะอืหรือบางทีตั้งกายของเราเองนะ่ะมันก็ไม่ยักไม่เป็นในที่ใจเราต้องการเนาะโอ้ยมันคือปวดทดนะี่นอหนะวายากปวดนะ่นะวายากปวดนะ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 หรือแม้แต่บาญทีพระลุคนี้คือเทศดีแทนนอสนะทเทศเสียงวานทเทศแดดเกงแทนนอสนะใจไปลอยอยู่กับคําเทศคําสอนของท่านนะดืมลืมดูใจของเราเองเนี่ยมันไปนหลงนะเนาะไปหลงว่าไม่ได้จะายทำธรรมะนะอ่มันไปนหลงดีใจหลงสุขใจนะหลงพอใจนะที่จริงเนะี่ะ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 เราก็หลอกให้เราเข้าใจเองนะหรือบานทีเราก็หลอกให้เราทุกข์ใจเองทำไมฉันคิดไม่ดีทำไมฉันเผลอทาไม่ดีนะไปคิดโทษตัวเองก็มีโทษคนอื่นบ้างโทษตัวเองบ้างไอ้พวกนี้คือมันหลอกนะหลอกเราทั้งนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราจะตื่นจากการที่โดนหลอกนะมนจะเห็นว่าจิตมันหลอก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 อาบน้ํารู้สึกตัวรู้สบู่รู้สึกตัวนีหลวงพ่อเคยเล่าว่ามีมีนายแพทย์คนนึงอยู่อออนครสวรรค์เขียนจดหมายมาหาหลวงพ่อว่าขณะที่อาบน้ำถูสบู่จิตจิตมันแยกเนี่ยเห็นรูปเห็นนามแยกกายแยกใจออกจากกันขณะที่ถูสบู่ขณะที่อาบน้ําเนี่ยมันก็สามารถเห็นธรรมะได้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 อันนั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่ย่อหย่อนเนาะย่อหย่อนนะตนะามใจกิเลสหรือว่าลืมตัวอันนั้นก็ไม่มีความเพียงเหมือนกันเนาะเรายกมือสร้างจังหวะแต่ถ้าใจเราไปเผอไปคิดอัน น, นนะี้ก็ไม่มีความเพียงนะใจเราจังโกอยู่ก็ไม่มีความเพียรนะอันนี้นเราต้องรู้ทันนะเมื่อไรที่มันเพี้ยนไปเครียนะมีสติกับมา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 ก็ได้เช่นอย่างที่บอกว่าเห็นความโกรธมันเป็นพุกข์อันนี้ก็ได้เห็นความอยากมันเป็นพุกแบบน้งก็ได้หรือเห็นร่างกายมันเป็นพุกข์ก็ได้หรือเห็นความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือว่าเราบังคับันชาไม่ได้จะห้ามให้มันคิดก็ห้ามไม่ได้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 ชีวิตเราก็มีค่าแล้วก็มีประโยชน์ะนะนะเหมือนเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เนาะแดดตอนร้อนมันก็เย็นมันก็สงบเนะี่ยคือมมีค่านั้นชีวิตที่ดีชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่จิตใจของเราสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะต่อคนอื่นบ้างอันนี้นแหละคือชีวิตที่มีค่าอันนั้นพวกเรา